หนึ่งปัจจุบันเป็นช่วงเดียวที่จะสร้างความจริงได้ปัจจุบันเป็นช่วงเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงตนได้อดีตกับอนาคตไม่ใช่ช่วงกาละที่จะทำได้และอดีตนั้นยิ่งหมดสิทธิ์ไปเลยถ้าตนเองแค่จะฝันก็ยังไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จ ร, จงรจิงว่า ตนยังงมยังจมหรือยังงมงายอยู่กับอดีตอยู่กับอนาคตอยู่กับปัจจุบันที่มิชาทิฐิในความเป็นกามคุณห้าและความเป็นสัมมาฌานทั้งสี่ก็เป็นอันจบเพตก็ปิดประตูที่จะบรรลุธรรมของพุทธครานั้นในปัจจุบันก็ยังต้องสัมมาทิถิว่า ตนปฏิบัติมีกรอบหรือขนาดในการปฏิบัติอยู่กับการโมกุลหในปัจจุบันสาหรับตนหรือตนมีกรอบมีขนาดในการปฏิบัติที่จะทำให้เกิดฌานในปัจจุบันนั้นสัมมาทิฏฐิหรือไม่ตนต้องรู้ชัดรู้แจ้งให้เป็นสัมมาทิฏฐิในสมมุติสัจจะและประมาทัศน์สัจจะน้น หรือมีกายอันเป็นตัวปัจจุบันให้เราปฏิบัติอยู่อย่างรู้ยิ่งเห็นจริงซึ่งต้องตรวจสอบกันให้สำคัญยิ่งเพราะรู้เท่าทันยากมากผู้บรรลุธรรมมีกายองค์ประกอบของรูปกับนามเป็นอริยธรรมได้จริงอย่างน้อยในความเป็นธรรมะของพุทธแท้ได้จริงขั้นอนุพุทธคืออรหรันต ซึ่งเป็นโพธิสัตว์ผ่านโพธิสัตว์ระดับสี่ก็ชื่อว่าเป็นผู้มีธรรมกายระดับต้นที่จะเป็นตัวจริงของผู้มีความจริงไปสู่ความมีธรรมกายระดับสูงสุดคือเป็นพระพุทธเจ้า